พระธรรมเทศนาแผ่นที 5, 5, ko, ่106ลำดับที 9, ata, 24, ่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่28มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าควรสร้างพิพิธภัณฑ์ให้ท่านสพระองค์วันนี้เป็นวันที่28 มาการาของพุทธศักราช 2,560 ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลพวกเราพนักฐานแ ย, ยากโยมเพราะเป็นวันตุ๊กจีนที่เป็นวันนี้เป็นเมื่อวานเป็นวันไหววันนี้เป็นวันตุ๊กจีนเพราะนั้นถือว่าเป็นวันมงคลสำหรับพวกเราที่เป็นลูกหลานเชื้อสายนะเชื้อสายจีน เนี่ยพวกเรามองมองเห็นกันอยู่เกือบจะว่าในประเทศไทยเกือบจะว่าทุกคนนนะเพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันทั้งต้นใหม่เป็นวันประเดิมหรือว่าเป็นวันตั้งวิถีชีวิตของพวกเราถ้าบอกผู้ใดเคยทำอะไรออกมาที่ปัญหาที่มันมีปัญหาที่ปีปผ่านมา พอมาปีนี้เราก็ควรจะบวกลบฟูลหารดูว่ามันมีปัญหาอะไรปีที่ผ่านมามันจะมีปัญหาอย่างนี้มันต้องมีเหตุซะก่อนมันต้องค่อ ย, ม, อยมีผลนะอทั้งเหตุดีทั้งผลดีนะั่นแหละถ้าเหตุที่มันไม่ดีผลออกมามันก็ไม่ดีถ้าเหตุดีผลออกมาก็ดีเอถ้ามันเหตุเหผลที่ดีเออปีที่แล้วนะ เราทําอะไรพอปี2559โชคดีมาตลอดเลยเแปลว่าเป็นผลบวกมาตลอดเนี่ยอันที่เราฟอรู้ได้ว่าอันนี้คือเหตุดีแล้วผมมองดูเหตุเราทําอะไรมันจึงดีเถ้าว่ามันไม่ดีเราก็ต้องมองหาเหตุอีกเหมือนกันทำมาจริงไม่ดีมันมีเหตุอะไรจริงมันมันจึงไม่ดีเนี่ย ในหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านบอกว่ามันต้องมีเหตุมีผลทุกอย่างในการกระทำาในการประพฤติปฏิบัติท่านที่ว่าให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำคิดดีทำดีพูดดีนั่นคือต้นเหตุแท่กรรมถ้าเราคิดดีทําดีพูดดีนะแล้วนหลัผลดีจะตามสนอง พวกเราจะได้รับความสุขรงเยนผาสุขแต่ผมก็เองลงมาคราวนี้ครั้งนี้นะอยากจะมาประกาศบอกกล่าวให้กับพนัสตาญาตาิหลวงลูกหลานท่านหลายได้รับรู้รับทราบว่าเสาเข่งนะที่โคศพคุณเจงพูดนะั่นนะคุณเจงผู้ชัดเจนเพราะว่าท่านได้อ่านตัวหนังสือรัพร้อมกันถ้าหากลูกหลานผู้ใด ในยุคใหม่สมัยใหม่นี้พร้อมที่จะโอนเงินเข้าไปให้บัญชีหลวงพ่อสุดใจทางตะมัณฑุเอพอา บ, บัญชีเสาเข็มหมูชัดอยู่แล้วถ้าว่าพวกเราโอนเข้าไปคณะกรรมการหลายสิบท่านะจะต้องดูในบับญชีนี้แต่บัญชีนี้เมื่อวานหลวงพ่อไปเช็คไปแล้วนะที่ว่าคุณเก่งบอกว่าจะได้สายเช้เงิน32ล้านนะ หลวงพ่อก็พิจกกังวลอยู่พอสนควรแต่เมื่อวานนี้หลวงพ่อก็ได้เช็คเข้าไปทางยอดทางธนาคารเข้าไว้ยังเหลืออยู่สี่หมืนครับสี่0มื่นกว่าวาครับไม่ถึงสิบล้านเหมือนหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อเออมีความอุ่นใจชื้นใจขึ้นมาเพราะนั้นซึ่ได้มาบอกกลา่าวทางพี่น้องทางจตนาญาติขกรงุรงเทพแต่วันนี้คนโรมขันทอง ฐานของเตะโตนิติวงที่เป็นขุดแม่ของเสียต้อมนะที่มีมาถวายเมื่อกี้นี่นะถวายเป็นท่านบอกว่าประมาณหต้นนะหต้นคือประมาณแส0ห้าสี่พดิบาทนะ <c oughs> อันนี้ก็คือมีผู้สมทบเข้ามาอยู่เพราะนั้น คณะทายแก่จวงที่ได้ยินเสียงหลวพ่อเนี่ยที่ได้ยินเสียงต่อไปก็าตามหรือเสียงในขณะนี้ก็าตามนะ่ะถ้าหากว่าพวกเราท่านทัานหลาย อ, อยากจะทํำดูก็ยังที่ทำอย่างที่คุณเจงแนะนานั่นนะเออถ้าออกผู้ใดชอบหอกหลงกลอมกลับอยู่เรื่อยๆเอาทาไมแบบเราจริงหอกหลงอยู่บ่อยๆเอาเท้าจะดกไว้เสาเข็ม ให้ยืนน่งอยู่ใต้ฐานพระเจดีย์ขององค์หลวงตาเพราะว่าหลวงตาที่ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากที่เหลือแล้วนะเป็นพระอรหันต์แล้วพูดง่ายๆเพราะท่านตัวเองท่านท่านก็ประกาศนะไม่ใช่เร า, เาไม่ใช่เราพูดเองนะท่านตัวเองท่านก็ประกาศระบิดเรา เ, าเป็นผู้หมดจดแล้วเราจะไม่มาเกิดไม่มาเกิดอีกแล้ว เราจะไม่มาเหยียบพื้นแผ่นดินไทยอีกไม่เราจะไม่มาเหยียบพื้นแผ่นดินอีกเป็นอนันตาการนะท่านวันให้ท้านวันลงตาท่านประกาศตัวของท่านเองท่านจะไม่มาโลกนี้อีกท่านเป็นพระอรหันต์แล้วจบแล้วท่านจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอนะีกนี่แหละอันนี้ก็คือดวงตาพวกเราท่านทั้งหลายลงเสาเข็มหลงพ่ อ, เ, อ, อเรา ถ, ถวายเสาเข็มจะเป็นข้อกลัวละต้นคนละต้น สมมุติห่าดพี่พ่อแม่พี่น้องของเราลูกหลานของเรามีกี่คนเราเอาคนละต้นละต้นละต้นก็ได้ทําไม่หนักหนานะถ้ามันหนักหนาแล้วอย่าทำที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อไม่ใช่ว่าตัวเล็กๆจะให้แบบข้อไม้ใหญ่ๆไปเอานะแต่ถ้าว่าตัวใหญ่ๆเหมือนกับช้างและจะไปหามาหาหลักไม้กิ่งฟันอย่างเนี้ยมันเหมาะสมไหมเราก็เห็นแล้วก็เราก็คงจะหัวเราะใช่ไหมช้างตัวบักใหญ่ ไปหาลากไม่จิ้มฝันใช่ไหมแต่โมดตัวใหญ่ไปลากไปลากขนสูงอย่างเนียอย่างหมาเนียเราอมาไปมัดให้มันลากขนสูงขอนสูงบักใหญ่เนียมันเกิดกำลังนี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าพวกเราทุกคนต้องเอาเทาเข็มเท่านั้นเท่านี้นะหลวงพ่อไม่ได้ว่านะแต่ว่าผู้มีกำลังแล้วจะมาทำเล็กๆน้อยๆเราซื้อเพชรนิง่งจินดนาะเอาทิ่ม ซื้อเสร็จมาแล้วอมาทิ้งไว้ในตู้ในหีบนนะ่ะมันมันก็ใช่มันเป็นสมบัติอยู่แต่ว่าทางว่าเราเอาเงินของเรานะไปซื้อโลงพรมสร้างปูนสร้างผุศสใส่เสาเข็มนะ่ลงไปในพื้นแผ่นดินเราเราจะขึ้น ม, มาเมื่อไหร่เราอุ่นใจนะก็น่าจะทายได้โดยนผ้าภูกใจอยากมากอีกต่างหากเหมือนเราไปยืนใต้ฐานพระดีของโองตาลงตาเป็นะ้าหันเรายืนปนมือ จากนั้นเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเมื่อเราทําบุญแล้วนะโปรคาเดบริจจากเสาเข็มพร้อมกับลูกกับหลานพร้อมกับครอบครัวอยากจะดิบมิตรสหายหรืออยากผู้ใหญ่พ่อคุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้าด้วยคุลด้วยคุโสที่ข้าพเจ้าได้ทาในคราวนี้ครั้งนี้ขอให้เป็นพวกเรเพื่อกุลหนุนข้าพเจ้าเกิดมาพราะใดชาติใดคำว่าอดอยากคําว่าตกทุกข์ยากคำวัาทุกข์กายทุกข์ใจ ที่ว่าภัยวิบัติทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้พบเร้ผ่านขอให้ข้าพเจ้าเดินทางสูงม่มรรคผลนิพพานแน่วไปสูม่มรรคผลนิพพานให้ใหได้สาเร็จอยากองหลับตาได้สําเร็จหรือพระหันตะสาวกในครั้งพุทธกาลได้สําเร็จหรือพระพุทธเจ้าได้ตะรู้ธรรมใดข้าพเจ้าขอได้บรรลุธรรมนั้นโดยทุกประการด้วยเทอินะถ้าเราปรารถนาเมื่อเราทําบุญเสร็จแล้วนะเราก็ทำบุญอย่างนั้น ในเมื่อเราทำบุญแล้วนะ่ะบงุงกุศลจะยิ่งใหญ่นะคณะสาญญาตรายาจงลูกหลานขนาดคุณแม่ชีแก้วนะ่ท่านก็บอกว่าพระธาตุพระพนมเนี่ยสมัยก่อนผู้ข้าเน่เคยได้ร่วมสร้างอยู่นั่นนะณะข้ามพบข้ามชาติมาแล้วนะ่ะท่านก็ยังภาคภูมใิใจในการสร้างพระเจดีย์พระธาตุพระนมนี้ก็เหมือนกันเราสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตานะ่ หลวงพ่อว่ามันติดภบติดชาตินะคณะทายาทจวงพอเราได้สร้างพระเจดีของพระอราหันต์พูดไ ง, ไง่ายๆแต่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นนะให้ฟังนะอย่าไปเชื่อลุงพ่อทีเดียวก็ไม่ใช่หลวงพ่ออ้างอ้างเหตุผลให้พวกเราฟังถ้ามันเป็นเหตุผลลงอย่างนั้นแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะแต่ถ้าว่าพวกเราฟังดูแล้วหลวงพ่ออินอุปโลกพูดอย่างนั้นแหละเนี่กรสุนแท้แต่นะหลวงพ่อเป็นผู้แนะนําบอกกล่าว ให้กับพวกเราทั้งท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแต่ถ้าวหลวงพ่อไม่พูดจะเลยพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่วันนี้นะวันที่สามสิบที่จะถึงอย่างคุณเจงได้พูดวันที่สามสิบมกราเป็นวันครอบรอบวันมรณภาพองค์หลวงตาหลวงตาจุตินิรพานวันที่สาสิบวันนั้นจะลงเสาเข็มนะต้นแรกเลยแต่ก่อดหน้าในต้นลงไหมลงไปแล้ว ยี่สิบยี่สิบสองต้นต้นละยี่สิเอ็ดเม็ดนะหลงไปแล้วครั้งนี้เขาเป็นการทดสอบว่าพื้นดินแปลงนี้นะที่จะสร้างพระเจดียนะ์จะเป็นดินอ่อนดินหลงดินดานมันลึกขนาดใยเขาทดสอบอยู่แล้วทดลองอยู่แล้วยี่สิบเอ็ดต้นยี่สิบสองต้นต้นละยี่สิบเอ็ดเมตรนะแห่งบัดนี้เขารู้แล้วว่าจะต้องใช้ จะต้องใช้เสาปูนทั้งหมด21 21เมตร 1,200 1,251 ต้นนเป็นเงินทั้งหมด32ล้าน1 2 5 8 0บาทอันนี้คือเสาเข็มแต่พวกหอยพวกเราคณะสถาญาตโยมทุกคนนะเมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยออกไปก็ไปทายนี่หลวงพ่อ ให้ศร hey, ัทธาญาโยมกระดาษแผ่นนี้ไปถ่ายชื่อบัญชีเสาเข็มพิพิธภัณฑ์ธรรมเกีโดยหลวงพ่อสุดใจท่านตับมวูคือหลวงพ่อสุดใจเป็นเจ้าของบัญชีนะแต่ว่าคณะกรรมการดูอยู่กับท่านอยู่นะบัญชีนี่นะเป็นชื่อของท่านนะธนาคารไทยพาณิชสาขาถนนทาหารจังหวัดรอนธานีเลขที่บัญชี เลขที่บัญชีเจ1 2สองหนึ่งสองสามเจ็ดหสองเก้าขี้าประเภทออมทรัพย์นี่แหละอันนี้ก็คือเสาเข็มอง์ลงตาถ้าว่าพวกเราได้ทำแล้วมันจะติดพบติดชาติอย่างที่โลงพ่อไดพูดได้กลบอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนะ่สมัยก่อนสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นเมธาดาบทนะอยู่ในป่าฮิมพาลอยู่ในป่านะ จมเอทาดาปุตท่านเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์นะอเอ่อเดินฟ้าได้สมัยนั้นพระพุทธเจ้าชีปังกอรเป็นพระพุทธได้ตัุรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเอ่อจากนั้นพระองค์ก็มาโปรดเอ่อพระปุตมาโปรดพระบิดาเ อ, อา่อบาลปุตเมื่อแในอยู่ในเมืองแต่นี้ท่านไปพักอยู่ที่เนินเนเนินที่สูงสวยงามนะเขาจัดถวายพระองค์ท่าน แต่ทีนี้ทางเดินของท่านนะจะต้องเดินอ้อมนะมันเป็นทางนะเดินอ้อมโค้งเข้ามาในเมืองแต่พวกชาวบ้านเขาโ อ, อ้ขอให้พระองค์เดินตรงตรงไปนี่นะพร้อมอกับพระสงฆ์เป็นหมื่นเป็นแสนองคนะ์เนี่ยเดินผานตรงไปนี่มันจะใกล้ ก, กว่าเพราะฉนั้นพวกเราไปทำท่านหลนร่วมกนันทํท่านหล่นให้พระพุทธเจ้าได้เดินไดเ้เข้าไปในเมืองโปรด ศรัทธาญาติโยมในกลุ่มในวันนี้ไ ป, ไ ป, ไปทางรัดเลยเขากลุ่มกันออกตั้งแต่เช้ามืดไปกบบจอบทั้งจอบทั้งเสียมทั้งกรุงกรีคนลุ่มกันไปนทำเพื่อจะสร้างถนนข้ามข้า ม, ามที่ลุ่มที่เป็นคลองที่จะเดินทางลัทางตรงเข้าไปสู่ในเมืองแต่นี้ทางพลื่สีสู่เมตาดาบอยู่ในป่าน่ย ท่านห อ, อกมาทางอากาศใช่ไหมห อ, อกมาทางอากาศมาเห็นพวกชาวบ้านก็ทําไอ้ลุงตู่นั่เขาทําแบบแข็งขันมากลือสีก็ลงมาจากอากาศพอลงมาท่านก็มาถามเอาพวกเธอท่านทั้งหลายทําอะไรพวกนั้นก็บอกโอ้เนี่ยพระพุทธเจ้าทีปังกอน่ยท่านเสด็จประทับอยู่ที่เนินนั่นแหะที่วัดแต่ท่านจะให้ท่านเดินอ้อมไปแตามันไกลเกินไปวันนี้พวกเราจะทำทางลัดเข้าไปในเมืองเล ย, เยแต่ว่า ก็ต้องช่วยกันเพราะมันมัมนมีขี้เลนอยู่ตรงหนึ่งมันใครเขาว่ามีขี้เลนเที่ที่ท่อมที่กระถมดีเนีท่านลือสีก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นจะให้จะให้ผมผมช่วยทําบุญด้วยได้ไหมผมจะช่วยทําได้ไหมครับโอดันโอ ด, ด้ท่านลือสีดีแล้วที่ท่านจะทําด้วยกันเอาเอาถ้าอย่างนั้นท่านจะให้ผมทําที่ตรงไหนล่ะ เขาเห็นว่าลือศีเป็นผู้มีฤทิใช่ล่ะพอเหินเดินฟ้าได้เขาเป็นศรีลงไปตรงที่ขี้โคลนะใช่ล่ะนองตรงที่ขี้พี่โคนตรงถึงยังไงลือีต้องต้องใช้ฤทธิ์นะนี่ต้องใช้ฤทธิ์ใช้เดชบรนรนบรรดาขึ้นมาเนี่ยคงไม่มีปัญหาตรงนั้นนะท่านลือีเอาตรงที่โคนนั่นแหละือีกพอได้รับชาบ้านบอกขาแล้วกทั้งที่ท่านจะใช้ิใช้เดชไม่ท่านใช้กำลังเหมือนกัน เออถลกหนังเสือออกนั่นแหละม้วนสดามัดให้ดีใช่ไหมเนีจา ก, กนั้นก็นุ่งจงกระเบนดีๆเนี่ยจอบเสียงของท่านถิี่มาด้วยเอาเลยตะลุยแหลกเลยนั่นแหะเออช่วยสร้างถนหนพอทีนี้พอสร้างไปสร้างคับไปคนอื่นเขาเสร็จที่ผมเป็นดินแห้งใช่ไหมละ่ะเพราดินแห้งเขาก็ทําเสร็จก่อนแต่ตรงลือสีทำเลยมันเป็นขี้เลนอย่างน้อยหนึ่ง เออประมาณแค่เม็ดปกหวานมันไม่จอดกันเพราพระพุทธเจ้าเสด็จมานะ่ะเสด็จมาพร้อมกับพระสงฆ์เดินมาเลยพอเดินมาลื้อสีเห็นเท่นั้นแหละโอ้พระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยข้าเป็นเจ้าจะทําถนนอย่างไม่เสร็จนอนเลยเออนอนเลย น, ะนอนแล้วสีสารไปทางพระพุทธเจ้าเลยนอนให้พระพุทธเจ้าไต่หลังกับพระสงฆ์เลย น, ะนี่แหละการสร้างบารมีสร้างบุญไม่ใช่ธรรมดาเนะี่ย ภูรุกหลานคณะสัตย์ทาญาติโยมอันนี้คือพระพุทธเจ้าของเราถ้าพวกเราไปอา่านสิไปศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ พ, พูดมายกมาแบบเปร์ไปเปย์ปะป๊าไม่ใช่นะเอออ้างหลักอ้างฐานวันในเมื่อพระพุทธเจา้า <c oughs> เดินมาถึงนั่นเสรีท่าดาบทกันนอนคว่ำหน้าให้พระพุทธเจา้าขอพระพองค์ใต่หลังข้าไปเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ไปด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระพุทธองค์มายืนอยู่ตรงหน้า ไปยือยู่ที่หัวหัวฤาษีนั่นอยู่ทางหน้านะพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายนี่แหละสุเมธาดาบทนี่ต่อไปภายภาคหน้าเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตชื่อว่าพระโคตมเพ ร, พระบิดาชื่อพระเจ้าจุทโทธนะอามารดาชื่อสิริมหามายา เ อ, อ, อกามเหสีของเขาชื่อพิมพายะโสธรามีบุตรชายชื่อพระราหุอัคะสวก ข, ขวาภาษาริบุตรอัคคสสาวซ้ายพระโมกคาราพุทธอุปถาคืออานนท์นี่พระพุทธเจ้าท่านทำนายไปเลยเนี่ยนี่นี่แหละในว่าการสร้างลาดขานได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าทีปากรจากนั้นพร ะ, พระองค์ยังไม่ได้รับพยากรนะ ที่ทําสร้างบารมีมาลบลุกพกการมามากต่อมากแต่อยังไม่ได้รับพยจกรแต่มานอนพ่องให้พระพุทธเจ้าทีปังกรใตหลังท่านั้นพระเจ้าพระพุทธเจ้าทีปังกรพยจพยกรเลยเ น, นี่ยแหละจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเ <c oughs> พราะฉนั้นเรื่องรากฐานนี่นะไม่ใช่บุญ น, น้อยนะลูกหลานนะออสร้างรากสร้างฐานพระเจดีย์ขององค์หลงตาเป็นบุญเป็นกุศลหลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นนะ ยังได้พูดได้กล่าวให้กับเราคณะสัตยาญาติโยมแต่หลวงพ่อเองเคยทํำไหมหลวงพ่อโอนเข้าไปแล้วนะคณะสัตยาญาติโยมโอนเข้าไป3ครั้งแล้วครั้งหนึ่งหลวงพ่อโอนเข้าไป2ล้านนะในเงินวัดของหลวงพ่อนะโอนเข้าไปแล้วสองล้านครั้งที่สองเนี่ย0องแสกว่าครั้งที่3ามเนี่ยสามแสกว่ารวมแล้วเป็น2องล้านหกแสนกว่าเนะนี่ยนี่แหละสัตยาญาติโยมในเงินวัดของหลวงพ่อนะแต่ไม่ใช่เงินหลวงพ่อนะ หลวงพ่อไม่ได้เคยไปรับย่างรับบ่ายที่ไหนไม่ได้ทาํามาค้าขายอย่างไรเป็นเงินของพี่น้องประชาชนศรัทธา ย, ยาจโยมเนี่แหละอยากมาวันนี้ถาวายมาหลวงพ่อเก็บไว้ เ, เก็บไว้ไว้วันนั้นก็รวบรวมไว้จากนั้นหลวงพ่อเอาทำบุญเกิดที่ทําให้เกิดประโยชน์แต่หลวงพ่อนะข่าวนี้มาข่าวขอดหลวงพ่อพูดเออศรัทธา ย, ยาจโยมวัดของหลวงพ่อเนี่ยน้ำท่วมเสียหาย หลวงพ่อพูดให้พวกเราศรัทธาญาติโยมจากนั้นศรัทธาญาติโยมก็ถวา ย, อยโอนเข้าไปในบัญชีก็มีแต่หลวงพ่อเช็ดยังท่านอาจะาจะศรัทธาญาติโยมทำหลวงพ่อเช็ดได้ยัเรื่องกำแพงย่างนะศรัทธาญาติโยมแต่กำแพงไม่จอดแล้วแต่ว่าที่น้ํามุดกำแพงกําลังซ่อมกันตะพัดเถือยอยู่เลยและถนนขาดภายในวัดกําลังทําถนนอยู่จุดนี้กําลังกินชะตาอยู่ แต่หลวงพ่อไม่ได้หนักใจนะในเรื่องวัดของหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ได้หนักใจหนักใจหรือว่าต้องการบุญกุศลจากนี่แหละพระเจดีขององค์หลวงตานี่ยเรื่องของหลวงตาเนี่ยอยู่ในหัวใจของหลวงพ่อมาตลอดเล ย, เ, ยเพราะฉะนั้นมาที่ไหนหลวงพ่อก็ได้พูดได้กล่าวแล้ววันพรุ่งนี้หลวงพ่อไปที่ไปฉันที่สวนแสงธรรมอาทิตย์สุดท้ายของเดือนของเดือนมกราเนี่ย การทบุญทอดผ้าปา่าหลงวงพ่อองค์จะพูดเรื่องนี้อีกเหมือนกันนะคล้ายๆไเป็นการบอกกล่าวให้คณะสัทายาญาิโยมทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลกับองค์หลวงตาเพราะว่ามีความจำเป็นแต่เงินพอไหมถ้าจะว่าคอคงไม่พอแต่ว่าเงินก้อหนึ่งแต่เงินที่จะสร้างพระเจดีย์เงินสร้างพระเจดีย์หรือศาลาลายหรือพิพิธภัณฑ์มีเงินหมหก ห้าร้อยห้าร้อยสิบห้าล้านแล้วเงินก้อนนั้นเรายัางไม่แตกนะเพราะนั้นเราจะเอาเงินเสาเข็มซะก่อนเพื่อจะยังเสียงพี่น้องประชาชนหปีนั่นเองที่พวกเราห่างเหินจากองค์หลวงตาเป็นไงเราจะรับเคารพในองค์หลวงตาอยู่เลยนะเพราะเจีดไลน์เพราะจะต้องไปหาอีกจํานวนนั่นก็ต้องได้หาอีกแต่จมจําอนเนี่ยมันชัดเจนเป็นเสาเข็มเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้บอกประกาศ ให้การนับถืญาติโยมบางคละไม้คนละมือเนาะเพื่อได้ยิงเสียงหลวงพ่อไปได้วยน่ะโอนเงินเข้ามาเข้าบัญชีของหลวงพ่อสุดใจไม่ใช่บัญชีของหลวงพ่อนะหลวงพ่อสุดใจทันตมโนโแต่วะศรัทธาญาติโยมบางคนเนื้อทาว่ามาเห็นหลวงพ่อแล้วน่ยจะจะทําบุญกับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อจะขัดข้องไหมเนี่ถ้าหากว่าไม่รู้จักเบอร์บัญชีหรือว่าไม่ชํานาญ หรือว่าไม่คุ้นเชื่องกับเบอร์บัญชีมาถวายผ่านหลวงพ่อหลวงพ่อก็ยินดีนะรับอะรับแล้วแบให้จดบัญจดตัวแรกไปเลยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่จากนั้นหลวงพ่อก็จะโอนเข้าบัญชีอย่างที่หลวงพ่อเคยโอนน่ะที่ว่าโอนเงินเข้าไปสองล้านกันเป็นเงินของพี่น้องประชาชนนี่แหละเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองในเรื่องเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาคณะสถาญาติหลวงลูกหลานทุกคนหลวงพ่อก็คง บอกเราคงไดเคยได้เห็นได้ยินว่าหลวงพ่อพูดเข้าไปาอ่านอ้าวพวกศรัทธาญาติโยมเห็นด้วยไหมที่จะสร้างจิตใจพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาได้ยกมือที่นี่นะเออได้ตะเบงเสียงสาธุเลยหลวงพ่อก็สาธุเลยเราไม่เห็นมือก็ได้ยินแต่เสียงเอายกมือด้วยนะพวกเราก็ยกมือที่นี่เคยมีแล้วครั้งไม่ใช่เหรอและสวนแจ้งถามอีกนะนะั่นแหละหลวงพ่อติดตามมาตลอดนันกศรัทธาญาติโยม เรื่องอะดียองค์หลวงตาหลวงพ่อผักดันนะผักดันให้สร้างพระเจดีหลวงตาเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลสงควนที่เป็นวดถูถูปรหักบุคคลสี่จังพวบที่สมงวรทช่จสร้างพระสถทว์โะคเจดีขึ้นไว้เป็นอที่เคารพกราบไหว้สักการะ บ, บูชาหลวงพ่อยังคิดไกลคราวหนึ่งหลวงพ่อยังได้พูดว่านี่นะเในหลวงของพวกเราเนี่ยถ้าจะประจัดไปแล้วก็จัดเข้าขาย พระเจ้าจักรพรรดิเหมือนกันนะก็เห็นไหมพระ อ, องค์สวไรรคารายไปเนี่ย ต, ง ต, งตั้งแต่เดือนตุลาวันที่สิบสามตุลาห้าเก้าแต่บัดนี้พี่น้องประชาชนยังหลังหลายเขามากาศพระบรมศพของพระ อ, องค์อยู่ตลอดออทั้งต่างชาติต่างภาษาเขาก็ให้ของของรบยังเกรงลดทองครึ่งเสาเกือบทุกประเทศนี่แหละอันนี้หลวงพ่อว่าในหลวงของเราเนี่ เข้าขายพระเจ้าจากกักรพรรดิเหมือนกันนะเพราะท่านประกอบคนงามความดีมีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมหาไรยา ก, ายากเพราะนั้นหลวงพ่อว่าเมื่อท่านจุตินิราพานเมื่อท่านจุติสวรรดิคารยไปแล้วหนะลวงพ่อว่าพระศงฆ์ในกรรัฐบาลไทยใน ผ, ผู้ที่เกี่ยวข้องจากกับพระ อ, องค์ท่านควรสมควรยิ่ง่ควรจะมีพิพิธภัณฑ์ ไว้ในที่ใดที่หนึ่งไม่ไกลาจากประเทศไม่ไกลไม่ไกลาจากกรุงเทพมาหานครหรืออยู่ในเขตกรุงเทพมาหานครสร้ออสางให้ใหญ่เป็นคลา้ายๆเป็นมุมหนึ่งเลยเ อ, อเพื่อให้ลูกหลานทั้งหลายได้ศึกษา อ, อพวกผูกม้มีอุปนิสัยพระพุพธเจาบอดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงเยาว์วัยท่านทําตนอย่างไรท่านมีประวัติไปหมดนในเมื่อ กับท่านปฏิบัติต่อพระมารดาของท่านพระราชชนีท่านทำอย่างไรแต่ท่านปฏิบัติต่อครอบครัวพระองค์ท่านลูกๆของท่านพระราชินีและลูกๆของท่านท่านทำอย่างไรท่านทำกับประสบนิกรทั้งหลายของประเทศชาติประสบนิกรของพระองค์ท่านท่านทำอย่างไรท่านทำกับพวกที่ยากจนพวกที่ชาวป่าชาวเขาพระองค์ปฏิบัติตนอย่างไร พระองค์มีการพัฒนาประเทศประเทศไทยขององค์อย่างไรมีความคิดอย่างไรรู้แล้วแต่มีขนบประการต่อประเทศชาตินัหลวงพ่อว่าสมควรยิ่งควรจะมีพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่แหละหลวงตาของเราก็เหมือนกันเรียนรู้เรื่องธรรมะจากองค์หลวงตาอันนี้เรียนรู้เรื่อง การปฏิบัติตนสําหรับเป็นตัวอย่างของพธธธุทธศาสนาพชนอุบาสกอุบาสิกาแต่ฝ่ายปริยัติธรรมหลวงป่อสมเด็จพระสังฆราชญาณสาังวรองค์นี้ก็สมควรยิ่งเป็นตัวอย่างของคณะสงฆ์ที่ฝ่ายปริยตัตนะิฝ่ายปริยัติิธรรมคือฝ่ายปกครองออออควรจะมีสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้เป็นตัวอย่างแต่ฝ่ายกรรมฐานก็ควรจะมีองค์หลวงตามหาบุญเป็นตัวอย่าง ฝ่ายคณะสทรายาตโยพุทธป ร, ประสงค์นิกอนชาวไทยทั้งหลายแหลก็ควรจะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ย เ, เป็นตัวอย่างสาหรับประสคนิกรหลวงพ่อว่าเนี่ยควรจะมีนะในความคิดหลวงพ่อเป็นพระป่านหลวงพ่อ ห, หลับตาคิดดูแล้วสมควรจะมีนะในลูกหลานฝั่งๆดูนะที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟัง เ, เกินไปหรือเปล่าแต่หลวงพ่อคิดว่า พูดตามศีลตามธรรมนะตามแนวความที่ควรจะเป็นนะถ้าเรา พ, พูดไปมากก็คงจะผู้บาทั้งหลายคงจะไม่ได้ชัดอาหารวันนี้เอารับเพียงพรนีพอนะ